เทศกาลเข้าพรรษาเริ่มแล้วนะวันนี้นวันนี้ก็เรียกว่านับหนึ่งนะของการเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐมากนะหรือว่าสำหรับ พ, พร ะ, ะพระนี่บวชแล้วนี่ไม่ได้จำพรรษานี่ก็ถือว่าขาดโอกาสดีๆนะ ก็เป็นช่วงที่จะได้ฝึกฝกพนพัฒนาตนมีหมู่มิตรนะคอยให้กำลังใจแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะที่อยู่กันพร้อมหน้านะที่จะให้คำแนะนำนะแต่ก็อย่าให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆสำหรับพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นนะคารวะญาติโยมผู้ครองเรือนนะก็ คนถือว่าช่วงขาวรรษานี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ประเสริฐสำหรับตนเองด้วยเหมือนกันนะอย่าให้ความดีความประเสริฐนั้นเนี่ยมันจำกัดอยู่ที่พระพิสูจนสงหรือแม่ชีผู้บวชนะเท่านั้นนะเพราะว่าถึงแม้อยู่บ้านครองเรือนนะ ก็สามารถจะได้ประโยชน์จากาเชศกาลเข้าพรรษาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจำพรรษาที่วัดก็ตามเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้นะฝึกฝนนะพัฒนาตนเป็นช่วงเวลาที่ได้เสริมพลังบวกหรือว่าความายดีในใจของเราเพื่อให้สามารถจะเอาชนะกิเลส หรือว่าตัญหาที่มันพร้อมงามใจของเราหรือบางทีก็คอยเป็นอุปสรรคขัดขวางนะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนอกจากจะไม่เจริญในทางธรรมแล้วเนี่ยก็ยังเจอความทุกข์นะนะคนสมัยก่อนนี่เขาก็น่าจะเป็นคาราวาเนี่ย ก, ก็ถือว่าเนี่ย ช่วงเวลาคขบัรษานี่ยแหละนะจะเป็นช่วงเวลาที่ได้สร้างบุญเสริมบุญให้กับตัวเองอย่าง น, น้อยก็รักษาศีลให้เข้มงวดนะและทุกวันนี้ก็มีการนะดนตกลงเชิญชวนให้ทําความดีในช่วงคขบัรษาอย่างที่เราดิ้นบ่อยๆนะคืองดเหล้าเข้าพรรษานะคนทั่วไปนี่ถ้าไม่เข้าพรรษานี่ บางทีก็ไม่มีแรงจูงใจนะที่จะงดเล่านะแต่พ อ, อได้เวลาเทศ ก, กาลเข้าพัรษามาแล้วก็เกิดนะความตั้งใจที่จะงดเล่าพยายามที่จะเอาชนะนะผีสุรานะที่มันครออ ง, งาใจัแต่พวกเราหลายคนนะนะผ่านผ่านปัญหานี้ไปแล้วนะไม่ได้ ตกเป็นเหยื่อของสุรายาเมาแต่ว่าก็อาจจะมีสิ่งอื่นหรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่มันสร้างปัญหาให้กับตัวเราซึ่งบ่อยครั้งเราก็รู้นะแต่ว่าห้ามใจลำบากแต่ว่าช่วงเข้บาบรรษานี่แหละนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเสริมพลังบวกนะเพื่อที่จะได้เอาชนะกิเลส ไม่ให้มันมาครอบงับจิตใจของเราอาลองนึกดูนะว่ามันมีอะไราบ้างนะที่ทำให้เราเนี่ยนะมีความทุกข์ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นนะพฤติกรรมนิสัยบางอย่างนะที่เราคิดว่าควรจะลดควรจะละควรจะเลิกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ ติดสุราละหรือบางคนศีล5้าก็คิดว่าทำครบละนะแต่ว่าศีลจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่หากข้อมันมีมากกว่า น, นั้นศีลนี่เป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจานะซึ่งรวมถึงการเสพนะการเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยเช่ น, ะนนะลองนึกดูนะว่ามันมีสิ่งไม่ดีอะไรบ้างนะที่เราควรจะลดละเลิกบางคนติด ก, กาแฟอ่า ติดกาแฟมากจนกระทั่งมันสร้างปัญหาทั้งกับสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยเ้าก็จะตั้งตั้งใจว่าเนี่ยในพรรานี้เนี่ยฉันจะลดกาแฟลงนะหรือว่างดไปเลยนะถ้าคนที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งบางคนนะอชอบกินเนื้อมากนะแล้วก็ ก็ล้วนเนื้อกินมากๆไม่ดีนะจนกันทั่งน้ําหนักเกินไขมันก็มากก็อาจจะตั้งใจว่าเนี่ยในพรษานี้เนี่ยสมเดือนเนี่ยฉันจะกินเนื้อให้น้อยลงนะหรือว่าฉันจะกินผักให้มากขึ้นถ้าให้ดีก็ต้องกําหนดไปเลยนะว่าอาทิตย์หนึ่งนี่นะจะงดเนื้ออาทิตย์ละหนึ่งวันอาทิตย์ละ2วันก็ว่าไปนะถ้ามันมีรูปธรรม ท, ที่กําหนดชัดเจนก็ยิ่งดีาบางคนนะอาจจะบอกว่าเนี่ย ฉันของงดข้าวเย็นนะจะกินแค่2มื้อนะก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ําหนักเกินแล้วนะแล้วกินข้าวเย็นมันก็ทําให้อ่ามีปัญหาตามมาเรื่องการหลับการนอนแล้วก็ทําให้ชีวิตวุ่นวายขอกินแค่สองมื้อพองดมื้อเย็นบางคนติดเกมนะอ่าติดเกมมากนะใช้วเวลาเกมมากๆนี่เป็นหลายวันห ล, หลายชั่วโมงก็อาจจะบอกว่าเนี่ยตั้งใจว่าเนี่ยในภาษาที่ชัดเจนงด นะเล่นเกมนะมวิดีโอเกมหรือเกมออนไลน์บางคนไม่ติดเกมนะแต่กิดติดหนังนะชอบดูหนังซีรีส์นะซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนนะก็ตั้งเรียกอาทิตษฐานเลยก็ได้นะคือความตั้งใจมันตั้งใจเดี๋ยววาเนี้ฉันจะงดนะฉันจะงดดูหนังนะหรือว่าถ้าจะดูก็ได้แค่วันละชั่วโมงหนึ่งนะ ใครที่ติดมากๆก็อาจจะบอกว่าขอลดเหลือแค่ตอนเดียวก็พอนะแต่ถ้าหากว่าจะหักดิบเลยก็ได้นะงดดูหนังไปเลยนะหลายคนก็ติดโซเชียลมีเดียนะใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นไลนะ์เฟซ o ุ๊กวันลาหลายชั่วโมงก็าจะตั้งใจว่าเนี่ยจะงดให้เหลือแค่ชั่วโมงเดียวหรือว่าจะใช้ให้น้อยลงนะอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง น้อยลงถึงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเนียของงดใช้ไปเลยนะ Facebook เลิกใช้ไปเลยในพันษานี้นะหรือ l ล n e นะบางคนก็มีนะตั้งใจทำอย่างนี้แล้วก็ทำได้ด้วยอันนี้ลองคิดดูนะว่าเนียเราจะลดละเลิกสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันเหนี่ยวรั้งชีวิตจิตใจของเราหรือกดทวงนวงทับชีวิตจิตใจเราอย่างไรบ้างที่มันเป็นกิเลสอ่ที่อาจจะไม่ได้รุนแรง หรือก่อปัญหาอย่างกินเหล้านะยาเสพติดนะหรือว่าเล่นการพนันนะแต่ว่ามันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นอกจากลดละเลิกนะในเรื่องของการเสพแล้วนะบางอย่างเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยนะหรือว่าวาจานี่ยนะก็ตั้งใจได้นะใช่บางคนขี้บ่นนะชอบบน่นนะบ่นให้ใครๆได้ยินนะก็อาจจะบอกว่าเนี่ย ฉันจะบ่นให้น้อยลงแต่คำว่าน้อยลงนี่มันก็ถ้ามันมีรูปธรรมชัดเจนนะใช่ว่าฉันจะดินทาหรือบ่นเนี่ยวันละไม่เกินสามครั้งนะไอ้บ่นข้างในนี่ไม่นับนะหรือว่าฉันจะโกรธเนี่ยฉันโกรธว้อยวายใส่ใครเนี่ยวันละไม่เกินสามครั้งนะถ้าเกินนะฉันจะหยดเงินใส่กระปุกนะเอาไปบริจาค อันนี้ก็ได้ทานได้บมเพ็ญทานอีกข้อนึงนะอันนี้เราว่าลดล ะ, ละเลิกสิ่งที่ไม่ดีในเครื่องเข้ารรษาแต่ว่าควบควบควบกันไปนะ่ก็คือว่าเราจะทำสิ่งดีๆให้มากขึ้นหรือที่ไม่เคยทำเราก็จะทำให้เป็นประจําทุกวันบางคนตื่นสายนะเพราตั้งใจวันในบรรษานี่ฉันจะตื่นเช้าก่อนอาทิตย์ขึ้นหรือว่าก่อนสว่างนะเพราะว่า นะจะได้ตื่นมานะรับอรุณด้วยจิตใจที่กระชุ่มกระชวยนะหรือบางคนก็อาจจะตั้งใจว่าเนี่ยในภาษานี้จะกินมังสวิรัตทั้งสามเดือนเลยหรือว่าอย่างน้อยก็อาทิตย์ละวันอาทิตย์ละสองวันนะบางคนก็อาจจะตันะ้งเกียรติฐานตั้งใจว่าเนี่ยจะสวดมนต์ทุกวัน หรือว่าจะฟังธรรมอย่างน้อยวันละกันนะหรือเดียวกันนะั่นคือภาวนาเลยนะภาวนาจะเจริญสตินะทุกวันนะตื่นนอนขึ้นมาก็จะเจริญสติทําสมาธิหรือว่าก่อนนอนอย่างน้อยวันละชั่วโมงถ้ามันมีกําหนดรูปธรรมเนี่ยมันก็ช่วยทาให้เราเอาชนะกิเลสได้ง่ายขึ้นนะไม่ใช่บอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดนะ ไอแบบนี้เนี่ยเสร็จ ก, กิเลสแน่นะมันก็จะล่อหลอกเราจนทั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ทำหรือทำก็ทำนิดหน่อยนะที่จริงไม่ต้องมากก็ได้นะแต่ขอยทำทุกวันห้านาทีสิบนาทีก็แล้วแต่นะในเรื่องความสัมพันธ์กับเหมือนกันนะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าในภาษานี้ฉันจะทำความดีช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อคนอย่างน้อยวันละหนึ่งคนนะยิ่งเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักยิ่งดีนะ จะเป็นการช่วยเล็กๆน้อ ย, เ ย, เยๆเช่นพาคนแก่ข้ามถนนพาคนตาบอดข้ามถนนนะหรือว่าช่วยเหลือด้วยทรัพย์ก็ได้หรือว่าขนของนะให้กับคนแก่หรือว่าพาคนใกล้ตัวก็ได้แต่ก่อนนี่ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยนะถ้าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา ในภาษานี้ฉันตั้งใจว่าเนี่ยจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อย่างน้อยที่ละครั้งนะแล้วว่าไปนี่ก็จะตั้งใจคุยกับท่านหรือว่าฟังท่านแม้บางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยไปทีไรก็เจอแต่คาบนของพ่อแม่บนเรื่องเดิมๆเล่าเรื่องเก่าๆนะก็เลยไม่อยากไปนะแต่ว่าในภาษานี่ตั้งใจว่าเนี่ยถึงแม่ท่านจะบนถึงแม่ท่านจะเล่าเรื่องซ้ำฉันก็จะนั่งฟังท่าน นะด้วยใจเต็มร้อยจะไม่สายอาการหงุดหงิดเบือ่อนายนะอย่างน้อยก็จะฟังด้วยความอดทนนะอย่างน้อยก็ทําให้ท่านรู้ว่าท่านยังมีคนที่อยู่ใกล้ที่ใส่ใจท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เราทําได้นะในช่วงขา้าวราษาแต่ละคนก็ให้ลองดูนะว่ามันมีอะไรบ้างที่เรายังยังทไม่มากพอแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ได้ทาเลย ะอะไรที่ไม่ดีที่เราอยากจะลดอยากจะละอยากจะเลิกถ้าทําในจักรพรรดิทำสองอย่างนี้พอนะสิ่งไม่ดีที่อยากจะลดละเลิกอะไรบางที่เป็นรูปธรรมและสิ่งดีๆที่อยากจะทําให้มากขึ้นหรือว่าเริ่มทำเชื้ทีเนี่ยทำแค่2อย่างนี้ก็พอมันทาให้การเข้าบรรษาของเราเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นการเทศ ก, การธรรมดานะแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าหาธรรมเข้าบรรษาสำหรับพระนี่คือการทำพรรษาการทรัพ คารวะญาติโยมคือาการเข้าหาธรรมเข้าใกล้ธรรมซึ่งก็จะมีผลก็คือความสงบเย็นนะแล้วก็ชีวิตชีราบรื่นมีสุขภาพดีมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงจึงทำให้นะเกิดความผาสุกกับชีวิตก็นำไปพิจารณากันดูนะ